บทที่6บรรยากาศดูเหมือนจะดีขึ้นเมื่อผ่านยาลฟินไฟวันย้อนกลับขึ้นมาในห้องที่ดัดแปลงเป็นห้องประชุมปรึกษาหารือเรื่องสำคัญนั่นอีกครั้งครสผู้ไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกพบบันี้โบกมือและยิ้มให้ท่าทางเปลี่ยนไปความจริงคนอย่างคนเอกลาเร่คริสไม่ใช่คนที่มีเล่นห์กลน่ากลัวอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่กระโชกโคกผ้าตามนิสัยทหารผ่านสุขที่ค่าคนมามากมายและมาจะคิดว่าตนเองเหนือชั้นหรือฝีมือแน่กว่าคนอื่นเท่านั้นในด้านนักเลงก็ถือว่าตัวโ ต, ว ต, วตวราวกับนักมวยปล้ำ จอห์รานไม่ถือสาและไม่เห็นว่าอเมริกันล่างใหญ่คนนี้จะมีความหมายอะไรทั้งสิน้นในชีวิตของเขาหากจะมีความหวาดระแวงและประวัติเปนเปนเรงอยู่บ้างก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นคืออดีตร้อยโทกองจวนกเกรียงหรือเจ้าแหงสายคนนั้นพวกนั้นซุ่นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอันจะไม่หวนกลับมาอีกกลับเข้ามาร่วมวงอีกครั้งคราวนี้ลาลีคริสส่งซิก้าชั้นดีให้แก่เขาและลัพินก็มาปฏิเสธกลับมาคลึงไว้ในมือ คริสเป็นคนบ้องมือจุดไลเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกสอันนุ่มนวลให้เขาทานใหญ่ ย, ยิ้มให้ส้มลงต่อสก้าและกล่าวขอบคุณทุกคนในที่นั้นดูเหมือนจะให้การเอา อ, อกเอาใจเขาเพิ่มขึ้นผิดกว่าการพบกันในครั้งแรกกรุณาบอกให้เรามั่นใจและยินดีอีกสักครั้งว่าคุณจะไม่ปฏิเสธการนำทางครั้งนี้ล็อกรเตรีเอ่ยขึนอย่างสุภาพพวกคุณก็รู้อยู่แล้วผมปฏิเสธไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่อยากจะปฏิเสธ เราจะรู้สึกอัดใจมากถ้าหากคนรับงานยังไม่เต็มใจเแบลบว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ขอให้พวกคุณทุกคนสบายใจได้เพราะผมเมื่อรับงานเคยแล้วผมก็ทําอย่างเต็มฝี ม, มือและดีที่สุดเท่าที่จะสามารถหมดปัญหาไปแล้วเรื่องที่ว่าท่านในคนแทรกตัดเกขึ้นแล้วกล่าวขึ้นรวมแต่วันนี้ร่วมหารือกันได้แล้วว่าจะเอาอย่างไรหรือเริ่มต้นอย่างไรให้เราเรียกคุณว่าลับพินก็แล้วกันนะเซอรี่จับเขาเขาอยากซื้สนิท นั่นเป็นการดีมากผมเป็นคนไทยและคนไทยนิยมการเรียกชื่อแรกอันเป็นชื่อที่ต้องตามความจริงที่สุดผมไม่ชอบให้ใครมาเรียกชื่อสกุลของผมหรอกและพวกคุณส่วนมากก็รู้นพไทยได้เคยชินกับขนมเนเปะเพณีไทยตามสมควรผมเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรียกผมว่ารพินก็ดีแล้วส่วหน้าคณะค้นหาดั บ, บทนิวเูแคลร์รากกังวานเวลตาป่งความเป็นเจ้าคนความคิดและชัดฉลาดลึกล้ำของเพรสจากนิ่งมา คุละพินจะเริ่มต้นกันอย่างไรสำหรับสายผมต้องการเร็วที่สุดระพินมองหน้าบริการชาหญิงไปเชิญคนอีกครั้งหนึ่งพวกคุณพร้อมเมื่อไรเมื่อตกลงได้แน่นอนกับคุณแล้วเชนี้เราจะกลับกรุงเทพค่ำวันนี้เลยและมรืรินนี้เราจะมาอีกครั้งพร้อมสัมภาระนั่นแปลว่าเราพร้อมที่จะออกเดินทางด้วทันทีทางคุณหลากพร้อมหรือยังผมก็พยายามจะจัดเตรียมให้พร้อมโดยเร็วที่สุดเหมือนกันแต่ได้บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปริมาณของ ที่พวกคุณจะเอาติดตัวไปด้วยเพราะจะต้องหาลูกหาบให้พอดีผมคิดว่าสัมภาระไม่ควรจะใช้คนแบกหามเกินกว่าสิบคนทั้งนี้ไม่รวมกับทารนของผมอีกสี่เมื่อรว ม, ม, 4, ม, รวมจํานวนคนทั้งหมดแล้วฝ่ายคุณห้ารวมทั้งคุณเชิดบุด้วยฝ่ายผมอีกห้ารวมกับทารนลูกมือของผมสี่ส่วนลูกหาบั่าหาอีกสิบคนทั้งหมดก็ควรจะเป็นยี่สิบคนลงตัวพอดี ทั้งสีคนหันไปซุบซิบหารือยกันอีกครั้งครู่หนึ่งหัวหน้าคณะก็หันมาบอกกับเขาว่าโอเคนั่นเป็นจำนวนคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วและทางฝ่ายเราก็จะพยายามเอาสัร r a ไปให้น้อยที่สุดโดยไม่เกินกว่ากำลังของลูกหาห้าคู่จะแบบหาไปได้ถ้าหากเป็นความต้องการของคุณฉะนั้นประพินเจ้ากรมข่าวท่านเอ่ยขึ้นอย่างผู้ใหญ่ทางคุณจะไม่มีเครื่องผ่อนแรงในด้าน สัมภาระให้นอกเนื้อไปกว่าแรลมคนที่จะหาหามบ้างเลยหรือเป็นตะลุกเวียนควายต่างหรือช้างสักสองสามเชือกช่วยบรรทุกของมันควรจะเป็นอย่างนั้นในเมื่องบประมาณการใช้ใจ่ายฝ่ายเราไม่อั้นอยู่แล้วเพื่อสอดขึ้นมาเร็วๆแต่พินยิ้มให้อย่างเวทนาทุกท่านโปรดฟังผมและขอให้เข้าใจไว้ด้วยเครื่องข่อนแรงไม่ว่าจะเป็นเวียนหรือสัตว์าหนะชนิดใดก็ตามผมพอจะจับหาให้ได้ แต่หนทางที่จะไปนั้นถึงแม้นผมจะยังไม่ทราบแน่นอนว่ามันอยู่ในบริเวณไหนของป่าใหญ่แถบนี้แต่จากประสบการณ์ที่เคยท่องเที่ยวมาอย่างชํานาญแล้วผมทราบดีว่ามันเป็นเส้นทางที่เราไม่สามารถจะใช้เครื่องผ่นแรงชนิดใดได้เลยนองจากลูกค่ะเท่านั้นหนทางเมื่อลืกเข้าไปจะทุรัตกันดารที่สุดภูเขาสูงหน้าผาชันซึ่งบางขณะเราอาจจะต้องใช้วิธีการปีนป่ายขึ้นไปบางทีจะต้องรอดอุมโมงค์ถ้ำแค บ, แค บ, แคบจํากัดเฉพาะตัวคน สองฝั่งทางเป็นเหวลึกสนทางอันลำบากเหล่านี้เกวียนควายหรือช้างที่จะใช้เป็นพาหนะจะผ่านไปไม่ได้ทั้งสิ้นถ้าเอาไปด้วยก็จะต้องเอาไปทิ้งเสียกลางทางไม่ตอนใดก็ตอนหนึ่งหรือบางชีเราอาจจะต้องข้ามเหวโดยวิธีการสายเชือกได้ลำเรียงของโดยการชักลอดไปตูุู่เหวภูเขาสูงหน้าผาชันถ้ำลึกหรือถนนทางที่เราจะต้องผ่านเป็นส่วนใหญ่และป่า ท, ที่เราจะบุกเข้าไปนี้ผมรับรองได้ว่า สัตว์ปาหนะที่เราเลี้ยงใช้งานอยู่ในหมู่บ้านจะไม่กล้าผ่านเข้าไปเลยเมื่อได้กลิ่นของสัตว์ป่าบางชนิดคุณครูเราเสียจนขวัญห น, นีดีฟอไปหมดแล้วคริสพูดยิ้มยิ้มเนตา ม, ม่ประกายไม่เชื่อถือละล้อเลียนผมไม่ได้ขู่หรอกแต่พูดความจริงให้คุณรู้ตัวไวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นเมื่อออกเดินทางกันไปแล้วจริงๆคุณก็จะเห็นกับตางพวกคุณเองอันอาจจะเร็วร้ายเกินกว่าที่ผมพูดในฟังนี้ก็ได้ผมเองในฐานะพรานนาทางผมก็ต้องการความสบายเหมือนพวกคุณนั่นแหละ แต่ผมรู้ว่ามันไม่สบายไปได้หรอกพวกคุณจะเคยชินกับการเดินป่ามาแล้วสักเท่าไรผมไม่ทราบแต่การออกเดินทางกับผมในครั้งนี้คุณจะพบว่ามันผิดไปกว่าการประจันภัยในป่ามาแล้วทุกครั้งของพวกคุณไม่ว่าจะในแอฟริกาหรือแถบอเมริกาใต้ที่ถือกันว่าเป็นป่าที่ดุร้ายยิ่สุดมีข้อแนะนําอะไรที่คุณพอจะให้แกเ่เราได้บ้างอีกไหมเยวถามทางเสียงอ้อยอิ่งจำไว้ยอย่างเดียวว่าอย่าคํานึงหรือห่วงถึงความสะดวสบายมากนัก เพราะมันไม่สะดวกสบายแน่ๆในหัทา้ที่เราจะบุกบัดไปเครื่องสเบียงอาหารถ้าเชื่อผมพยายามเอาไปให้น้อยที่สุดและควรจะใช้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกคุณเขาช่วยในด้านอาหารสาเร็จรูปซึ่งย่อส่วนมาเป็นเม็ดเล็กๆชนิดที่ถ้าจําเป็นก็กลืนเข้าไปเพียงเม็ดเดียวก็อิ่มและประทังชีวิตไปได้เท่ากับอาหารหนักหนึ่งมือ้อซึ่งผมเชื่อว่าพวกคุณมีแน่ๆนั่นแหละคืออาหารที่พวกคุณทุกคนรวมทั้งผมด้วยต้องการน้าหนักของ ที่จะเป็นส่วนของสเสบียงแบบเรชั่นนั้นถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือสําหรับปีนเขาหรือไต่หน้าผาต่อดจนยารักษาโลกก็จะดีมากพูดยังกะว่าจะเดินทางไปในอวกาศเพื่อสําสรวจห้วงจักรวาลอย่างนั้นแหละคริสจะเหน็บแนมไม่ได้แต่สีหน้ายิ้มยิ้มอาจจะยิ่งกว่าเดินทางในห้วงอวกาศก็ได้เพราะถ้าคุณสํารวจพวกอวกาศหรือเดินทางไปดาวดวงไหนก็ตามแปลว่าพาหนะและอุป ก, กรณ์ของคุณผ่านการตรวจสอบ ทันสมัยพรอมมูลและมีสมรรถภาพสูงเยี่ยมพอแก่การใช้วา ง, ววา ง, วางใจได้แล้วทั้งสิน้นแต่การเดินทางครั้งนี้แม้พวกคุณจะคิดว่ามันเดินไปบนผิวโลกส่วนหนึ่งในพิภพนี้ก็ตามแต่คุณจะเห็นได้ในสิ่งที่คุณไม่คาดฝันว่าจะเห็นและจะพบกับสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะมีอยู่ในโลกนี้ผมขอรับ ร, บรองด้วยกิจยศว่าผมจะป้องกันชีวิตของพวกคุณทั้งสี่คนจนเป็นความสามารถ แต่ก็ไม่กล้ารับรองว่าพวกคุณจะรอดปลอดภัยอยู่คบกันทั้งสี่คนหรือเปล่าในเส้นทางสายนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครคนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิตลงโดยเกินกว่าความสามารถของผมจะป้องกันไม่ได้ผมขอระเว้นการรับผิดชอบพราะทุกคนที่ร่วมทางไปด้วยกันนี้ตางก็ยอมสละชีวิตยอมเสี่ยงแล้วทั้งสิน้นทั้งสี่คนมองหน้ากันไปมาแล้วก็หัวเราะแต่ไม่สู้จะแสยำใส่นะักครพูดกัน ล, ลอยว่า ชายคนนี้มีจิตวิทยาทางด้านข่มขันได้ไม่เลวเลยเขาคงอาจจะนึกว่าจะให้พวกเราเลิกเลิกลมการเดินทางนครั้งนี้ก็ได้มัง้งรัพินพูดความจริงเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาก็พูดอย่างนั้นนายลย้ำหนักแน่นรัฐพินคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องชีวิตหรือความปลอดภัยของพวกเราหรอกขอเพียงแต่ให้คุณเป็นมกุฎเทพนำทางไปให้ดีที่สุดและซื่อสัตย์ที่สุดเท่านั้นตกลงได้แค่นี้ฝ่ายเราก็พอใจแล้วเซรี่พูดดีมากถ้างั้นผมก็สบายใจไปได้ปลอดหนึ่ง ทีนี้ว่าถึงผลประโยชน์ที่ทางผมจะได้รับเงินสดหนึ่งแสนเหรียญจะให้คุณในวันนี้เลยไม่จําเป็นจะต้องมีสัญญาใดใดทั้งสิ้นและอีกหนึ่งแสนเหรียญจะจ่ายให้เมื่อเราทั้งหมดทํางานสําเร็จและกลับมาถึงตาบล น, นี้ขอให้คุณวางใจได้เพราะรัฐบาลฝ่ายคุณจะเป็นหลักข้้มประกันให้กระพินยยิ้มเลี้ยงเลี่ยยกไหล่นิดหนึ่งนอกจากผมแล้วก็ยังมีพานของผมที่เป็นลูกมือสําคัญอีกสี่คนและลูกหาอีกสิบคนโดยประมาณ พวกคุณคงจะไม่หมายความว่าค่าจ้างของพวกเขาเหล่านี้รวมอยู่ในเงินจํานวนหนึ่งแสนเดือนแรกที่คุณจะมอบให้ผมไม่ใช่หรือตัวหน้าขณะนิ่งไปครู่หนึ่งมองไปทางท่านนายพลสุภาพบุรุษแห่งกองทัพ บ, บกไทยกระแอมเบาๆและกล่าวว่าทางฝ่ายคุณก็บอกอยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านคุณจะเป็นผู้ออกและค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้มันควรจะหมายถึงค่าจ้างพวกพลานและพวกลูกหาที่ติดตามไปด้วยถ้าไม่ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นค่าจ้างเหมาไปซึ่งไม่ถูกเรื่อง และพวกคุณก็บอกไว้แล้วว่างบประมาณไม่อั้นนมคนเสริมขึ้นมาอีกคนหนึ่งอย่างรักษาผลประโยชน์ฝ่ายพินเต็มที่เอาละเอาละ <c oughs> ในที่สุดสเตอรี่พยักหน้าบอกมาพวกพานของคุณและพวกลูกหาบคุณคิดว่าเราควรจะจ่ายเขาคนละเท่าไหร่พวกลูกมือของผมสี่คนคนละสองหมื่นเหรียญส่วนพวกลูกหาบคนละ 1, หลนึ่งหมื่นเหรียญจ่ายก่อนออกเดินทาง เมื่อและเมื่อ ง, งานสําเร็จกลับมาถึงที่นี่แล้วจ่ายให้อีกเท่ากับจํานวนที่จ่ายไปแล้วโดยไม่ระเว้นว่าใครจะเสียชีวิตไปหรือไม่ถ้าใครเสียชีวิตก็ให้จ่ายแก่ทายายของเขาตกลงไหมมากเกินไปสําหรับทรานและลูกหาพวกนั้นเซรี่กับคริสพูดออกมาเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันและพินสาสิษฐ์ยิ้มเย็นเย็นไม่มากเมื่อเทียบกับงานใหญ่ของคุณและเทียบกับการเอาชีวิตไปเสี่ยงตายของแต่ละคนขอให้คิด เปรียบเทียบดูให้ดีระเบิดนิวเคลียร์ของคุณลูกนั้นราคาสักเท่าไหร่ส่วนพานสี่คนและลูกหาอีกสิคนผมก็จะต้องคัดหาคนที่มีความสามารถขีดสุดพร้อมทั้งยอมสละชีวิตได้แล้วเหมือนกันคนเหล่านี้จะร่วมงานกับคุณจนถึงที่สุดคือจนปายรู้จนกว่างานของคุณจะลูกผลจะไม่มีใครแพ้นี้ทิ้งงานกลางคันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะเสี่ยงตายทั้งทีพวกเขาควรจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับชีวิตของเขา ถึงเขาจะไม่ได้รับชา ย, ยาติของเขาคุณจะได้รับถึงอย่างนั้นก็ยังแพงไปอยู่ดีพิสแยง้งแต่นุ่มนวลเช่นกันเชิดวุฒิทนอยู่ไม่ไหวจึงทะลุขึ้นกลางฟองถ้าอย่างนั้นผมตัดสินเองเราจ้าเฉพาะระพินไพรวันคนเดียวส่วนพวกลูกหาอื่นๆฝ่ายคุณเป็นผู้จัดการหามาเองไปเกณฑ์เอาพวกทหารของคุณมาเป็นลูกหาก็ได้ดีไหมและคราวนี้จะยกกันไปเป็นกองร้อยทางฝ่ายระพินก็คงจะไม่ว่าอะไรหรอก คำพูดของเชิดวุฒิทำให้อเมริกันสี่คนนิ่งไปคริสขยี้จมูกแดงๆเบาๆว่าเรื่องนี้เป็นความรับสุดยอดแม้กระทั่งคนอเมริกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีเราก็จะให้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามข้อเสนอของคุณนายทหารหนุ่มแห่งกองทัพ บ, บกแบมือยักไหลถ้าอย่างนั้นมีอะไรที่คุณจะต้องต่อรองอีกคนที่จะไปตายให้แก่งงานใหญ่ของคุณราคาชีวิตแค่หมื่นหรือสองหมืนเหรียญ มันแพงไปอย่างนั้นหรือผมเห็นด้วยกับประเพณในข้อเสนอของเขาเงินเหล่านี้ไม่ใช่เงินส่วนตัวของพวกคุณคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเงินงบประมาณของรัฐ บ, บาลของคุณที่ตั้งไว้แล้วอย่างไม่จํากัดมันอยู่ที่ i, ดรสเตอรี่ผู้เป็นหัวหน้าคณะเท่านั้นที่จะอนุมัติเห็นควรด้วยหรือไม่หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์มองไปทางพานใหญ่ทั้ง14คนเป็นที่คุณจะเอาไปด้วยเป็นคนของคุณโดยเฉพาะหรือใช่เป็นคนในเขตการปกครองของผมนั่นแหละถ้าเป็นคน ที่มาจากที่อื่นเขาก็คงจะไม่เอาด้วยเหมือนกันคนที่ผมจะคัดเลือกตัวเหล่านี้ล้วนไว้วางใจได้ทั้งสิ้นคุณเชื่อผมคุณก็ต้องเชื่อเขาด้วยและไว้วางใจเขาได้ว่าคนเหล่านี้จะไม่เอาความรับของคุณไปเปิดเผยให้ใครทราบได้เพราะเขาเป็นคนพื้นเมืองบ้านป่าชีวิตจากดานไม่ติดต่อคบหากับใครทั้งสิ้นนอกจากจะอยู่เฉพาะในหมู่บ้านป่าเท่านั้นแต่และคนก็ล้วนแล้วจะมีฝีมือในการเดินป่าทระหดต่อการทํางานหนักทั้งสิ้นซึ่งจะประสานงานกับผมได้เป็นอย่างดี ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงผมจะจ่ายเงินทั้งหมดผ่านคุณและขอให้คุณรับผิดชอบจ่ายแจกให้แก่เขาเหล่านั้นเองผมรับที่จะจัดสรรให้แก่พวกเขาเหล่านั้นโดยไม่บิดพบี้วหรือมีเล่หเหลี่ยมคดโกงอะไรคนเหล่านั้นเลยดร็เกอซรลล์ลุกขึ้นจับมือกับท่านในพนเป็นอันว่าเราตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วครับท่านในพลประเดี๋ยวพวกเราจะกลับเข้ากรุงเทพและเตรียมตัวเดินทางเร็วที่สุดอย่างช้าที่สุดไม่เกินสองวันจะมาที่นี่อีกครั้งหวังว่าทางฝ่ายคุณระพินควจะเตรียมตัวได้เรียบร้อย ผมและคุณอมพลก็รู้สึกกินดีด้วยที่มีการตกลงกันได้เรียบร้อยดีเช่นนี้ผมจะร่วมเดินทางมาที่นี่พร้อมกับพวกคุณอีกครั้งเพื่อส่งการเดินทางต่อจากนั้นอีกเพียงไม่หยิดใจเช็คเงินสดอันเป็นเช็คธรรมดาของธนาคารแห่งอเมริกันระบุจำนวนเงิน 2. แสนแปดหมื่นเหรียญก็เข้ามาสงบนิ่งอยู่ในกระเป๋าเสื้อของรพินไัยวันเขาไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเงินท่าจ้างจำนวนนี้เลยแต่มันเป็นปร ะ, ประโยชน์อันคือมีึงได้ก็ต้องเอาไว้ก่อนตามหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนร่วมตายของเขาอีกสีคนอันหมายถึงพลานพื้นเมืองคู่ใจสี่คน และประเภทลูกหาบซึ่งจะต้องคัดเอาจากลูกน้องนักดักสัตว์ของเขาในหมู่บ้านหนองน้ําแห้งนั่นเองอีกสิบคนคนเหล่านั้นต่างหากที่ควรจะได้รับผลตอบแทนในคุ้มค่าเหนื่อยค่าเสี่ยงชีวิตในอนาคตของการเดินทางอันเต็มไปด้วยอันตรายที่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะอุบัติขึ้นมาในรูปใดบ้างตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมถือเสมือนว่าผมเป็นลูกจ้างของคณะคุณแล้วจอมพลพูดเรีย บ, ยบผมจะไปรอพวกคุณอยู่ที่หนองน้ําแห้งและจัดหาคน รอจนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเมื่อคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปพบผมที่หนองน้ำแห้งได้ทันทีนั่นเป็นประโยชน์สุดท้ายภายหลังจากที่เขาได้จับมือลาชั่วคราวกับอเมริกันทั้ง4คนแล้วผ่าออกจากห้องนั้นไปมีใครคนหนึ่งเดินตามหลังเข้ามาติดติดก่อนที่ระพินจะลงบันไดของตึกอเมริการไปข้างล่างก็มีเสียงเรียกเบาๆเขหยุดชะ ง, งาาักหันกลับมาพบบนตรีเชิดฟุต สาท้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าดับแขนเข้าไว้สายตาที่จ้องประสานมาเหมือนคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยกันมาสักสิบปีทั้งๆที่พบกันเป็นเวลาไม่เกินสองชั่วโมงที่แล้วนี่เองขอทำความเข้าใจกับคุณอีกครั้งถึงแม้ว่าผมจะไปกับพวกนี้ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันและเป็นฝ่ายเดียวกับคุณด้วยอย่าคิดเป็นอื่นละพินหัวเราะ ผมก็ใจดีครับคุณเชิดรุ้และโปรดทราบไปด้วยว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเขาหรือพวกเราก็ร่วนแต่อยู่ในภาวะเรือลําเดียวกันทั้งนั้นแหละครับ mm. คือตายก็ตายด้วยกันรอดก็รอดด้วยกัน mm. มีอะไรจะแนะนําผมบ้างไหมสักประโยคสองประโยคก็ยังดีนึกว่าผมเป็นน้องชายของคุณคนหนึ่งก็แล้วกันยอมทานตบตเบาๆที่หลังมือข้างที่จับแขนเขาไว้สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือ คุณอย่าคิดเดินทางไปในครั้งนี้เลยครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาสี่คนกับพวกผมที่จะเป็นลูกจ้างดีกว่าคุณไม่จําเป็นในใดที่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงด้วยเลยในด้านการเป็นตัวกลางประสานงานก็ไม่จําเป็นแล้วถ้าผมติดต่ อ, อพวกเขาได้ดีทุกคนเชิดวุฒิสันติสัจช้าชตาเป็นประกายแห่งความเด็ดเดี่ยวมั่นคงผมต้องไปตามหน้าที่ครับถ้าผมต้องตายผมก็ตายในหน้าที่ราชการรับครั้งนี้ และผมก็เป็นชายชาติทหารคนหนึ่งผมเข้าใจในความปรารถนาดีของคุณแต่โปรดอย่าห้ามผมเลยเคยเดินป่ามาก่อนบ้างไหมครับเคยแต่เที่ยวป่าในฤดูร้รอนบ้าง4ี่หครั้งแต่ผมคิดว่าผมทนกับความยากลําลบากทุกชนิดได้และเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดเตือนพวกนั้นไว้ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหรือคําขู่เลยผมก็ยินดีที่คุณไม่เห็นคําพูดของผมเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นอันว่าไปแน่หรือครับแน่แน่นอนเลยร้อยอร์เซ็นต์ เฉพาะตัวคุณเองคิดว่าจะเอาอาวุธอะไรติดตัวไปก็คงจะเป็นปืนทหารนั่นแหละ M16 แบบพลล่มมันเบาสะดวกดีคุณมีปืนล่าสัตว์อะไรบ้างที่จัดว่าใหญ่และแรงที่สุดก็แค่ซากโก้ .375 แม็กซ์เท่านั้นแหละครับผมเป็นนักล่าสัตว์สมัครเล่นก็เอาปืนกระ บ, บอกนั่นแหละครับไปกระสุนอย่างน้อยสองร้อยนัดแต่ผมไม่มีเจตนาจะล่าสัตว์ครับแต่อย่าคิดว่าสัตว์มันจะไม่ล่าคุณ M16 ไม่ไหวหรือ ไว้ right, ครับสําหรับยิงคนแต่คุณเคยเห็นรอยเท้าช้างขนาดที่คนตัวโตวเท่าคุณลงไปนั่งกันสม่าได้บ้างหรือเปล่าไต้หาจริงหรือนี้ก็และเคยเห็นเสือโคร่งตัวขนาดลูกม้าเทศน้ําหนักเกือบครึ่งตันบ้างไหมเสือเบคอนที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนั่นแหละเป็นเพียงลูกเสือเท่านั้นสําหรับปลา ท, ที่เราจะบุกคนอนเฟเชชัวุตตาเหลือกอ้าปากค้างกระพินหัวร่าขื่อๆตบไล่ในสหารหนึ่งย่างรักใคร่เอ็นดู สีคนนั่นเขาจะเอา m 1 6ไปรบกับใครก็ช่างเขาเถอะครับผมไม่ห้ามเขาหรอกแต่สำหรับคุณผมขอกระซิบเตือนไว้สำหรับผมเองน่ะผมใช้จุด4 58แม็กนัมอฟริกันยังวิ่งป่าลาบมาแล้วส่วนพลานของผมอย่างต่าก็ต้องจุดสาหแม็กนัมกันทุกคนคุณกับผมจะต้องมีหน้าที่คุ้มกันทหารฝรั่งสี่คนนั่นด้วยไอ้ที่เขาคุยว่าเขาป้องกันตัวเองได้นะนะ่ะเอาไว้ดูกันตอนป่าหริจริงเถอะครับเป็นได้สนุกกันแน่น ถ้าคุณคิดจะสพาย M16 หรือไรเฟิลใช้ในสงครามชนิดไหนก็ตามอย่าเอาปืนติดมือไปให้หนักเสีนเลยจะดีกว่ากระสุนที่มีแรงพัดท่าต่ำกว่า 4,500 ฟุตพาวสำหรับป่าที่ผมจะพาพวกคุณเข้าไปนั้นมีไว้สำหรับยิงเรียกตอนป่าหลงเท่านั้นเองผมไปละครับพบกันใหม่ที่หนองน้ำแห้งขอให้โชคดีตาจบทานใหญก็ลงบันไดไปเร็วๆปล่อยให้คนเรเชดวัดยืนตะลึงกับพิษตาเดือดติดอยู่คนเดียว ละพินเดินกลับลงมาข้างล่างด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกในส่วนเรื่อของจิตใจเปนมีแต่ความหมกมุ่นเฒ้าหมองซุมเศร้าเขานึกไม่ออกเหมือนกันว่าในคืนแรกนี้เขาจะจัดการอะไรลงไปก่อนชายหนุ่มผู้ทั้งชีวิตเกิดมาเพื่อต้องทํางานหนักลำบากลักลำอยู่แต่ในป่าสุดการลงนั่งอย่างอ่อนแรงตรงมาหินชุดแรกผวกผ่านพื้นเมืองของเขายัางนั่งกินเล่าเฮฮากับกรรมกรเลี้ยงสัตว์ป่าของนายอยําพลอยู่ที่ร้านหินมุมหนึ่งที่เดิม ห่างไกลออกไปประมาณ20เมตรคนเหล่านั้นหันมาเห็นเจ้านายกลับลงมานั่งสุขหรี่เงียบๆอยู่คนเดียวแต่ก็ยังไม่สนใจอะไรนักเพียงแต่ น, นันนายก็จะเหลือมาดูสักครั้งหนึ่งรพิน ง, งงเอาจริงๆแต่ตัดใจไม่ถูกก็จะจัดการอะไรก่อนและหลังภาย น, นยาระยะเวลาจำกัดเพียงไม่เกิน 2-3 วันข้างหน้านี้คงจะเนื่องมาจากไม่ได้ยินเสียงรถจรี๊ปของรพินติดเครื่องนั่นเองเพิ่มโดยการบริษัทไทยไวฟไลน์จึงเดินตามมามาดูพอเห็นจอมพลนนั่งซุมกับเธออยู่คนเดียวก็ตรงเข้ามาทักทาย ขณะนั้นเป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเศษก็ไปแล้วรพินผู้จัดการทักขึ้นแถวเบาสีหน้าไม่สบายใจนักเข้ามาจับไหล่ไว้ผมเห็นใจคุณเหลือเกินปรึกษาอะไรหน่อยเถะครับคุณนำ้ำฝนสมองผมมันตื้อไปหมดแล้วในขณะนี้ว่ามาเลยมีอะไรที่ให้ผมช่วยเหลือคุณได้บ้างผมจะเริ่มทําอะไรก่อนหลังดีก่อนออกเดินทางอย่างแท้จริงก่อพูดพร้อมกับถอนใจเฮือกพักเท็คในกระเป๋าขึ้นมาชูให้ดูอย่างหมดอะไรตายอย่าง นามพลดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเขาโดยสุดนั่งลงใกล้ๆนี่เพื่อนยากความผมนะคืนนี้คุณกลับไปที่พักของคุณนอนหลับให้สบายอย่าคิดอะไรมากแล้วพรุ่งนี้แต่เช้าคุณเอาเช็คจานวนนี้ไปเข้าธนาคารนมเพอผมจะไปเป็นเพื่อนคุณด้วยต่อจากนั้นผมจะเรียกทนายของผมมาเพื่อให้ทำพินัยกรรมตามทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณต้องการ ทั้งของคุณเองและทั้งหมดของลูกน้องคุณทั้งหลายตุกสินทุกอย่างทําให้เสร็จสิ้นหมดห่วงไปเสียในพรุ่งนี้และเพื่อให้คุณไว้วางใจได้พินัยกรรมทั้งหมดจะทําขึ้นเป็นสามก๊อปปี้ก็อปปี้หนึ่งผมจะเก็บรักษาไว้ก๊อปปี้หนึ่งฝากไว้ที่ธนาคารโดยมอบกุญแจไว้ให้คุณแม่คุณไม่ต้องเรียนให้ท่านทราบก่อนว่าเป็นอะไรส่วนอีกก๊อปปี้หนึ่งเพื่อให้คุณไว้วางใจมากที่สุด พราว่าผมจะไม่หักหลังคุณคุณเขียนกําหนดไว้เล ย, เลยว่าให้ส่งมอบให้แก่คุณชายเชษฐาหรือคุณหญิงดาราเพื่อให้ทั้งสองคนเป็นพยานรู้เห็นในจุดมุ่งหมายของคุณด้วยเมื่อพิเนการทั้งสาวฉบับถูกเปิดเผย อ, ออกมาและยันกันได้หมดทั้งสาวฉบับคุณก็ไม่ต้องห่วงแล้วทั้งหมด มันจะเป็นไปตามความต้องการของคุณโดยที่ไม่มีใครงุบงิบกองได้คุณอาจจะไม่ไว้วางใจผมแต่คุณก็คงจะไม่ปฏิเสธว่าคุณไม่ไว้วางใจคุณชายเทษฐาโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหญิงดาวเรนเพราะเธอจะต้องรักษาผลประโยชน์ทางฝ่ายคุณและสนของคุณแน่ๆนจอมพานถอนใจอีกครั้งหนึ่งเอาอย่างนั้นเหรอคุณว่าดีไหมล่ะผมคิดอะไรตอนนี้ไม่ออกหรอกก็สุดแล้วแต่คุณอำพลเธอะแล้วทางได้คุณแม่ผมปลาจะทํำยังไงผมจะเรียนท่านว่าอย่างไรดี ก็ไม่ควรจะทำให้ท่านวิตกกังวลเกินกว่าเหตุหรือห่วงกังวลมากนักท่านทราบดีอยู่แล้วว่าชีวิตของคุณส่วนใหญ่เดินไปตลอดเวลาคุณก็ไปกาเปลี่นท่านเสียพรุ่งนี้เรนให้ท่านทราบแต่เพียงว่าคุณจะออกป่าคราวนี้นานสักหน่อยหนึ่งก็เท่านั้นเองท่านไม่สงสัยหรือถามอะไรมากหรอกเพราะมันเป็นธรรมดาของคุณอยู่แล้วสําหรับผมบอกตามตรงว่าเสียใจจริงๆที่คุณจะต้องไปเสี่ยงอีกในครั้งนี้แต่ขอให้โปรดให้เข้าใจว่ามันไม่มีทางเลือกเลยสําหรับผมและมันเป็นความจําเป็นที่โทษใครไม่ได้เลย และผู้อำนวยการก็หัวเราะขือๆกับตนเองผมเองก็ทุกข์หนักเหมือนกันไหนจะห่วงคุณไหนจะต้องรับสึกหนักใหญ่คุณก็รู้สึกใหญ่ที่ผมว่านั่นคืออะไรดรพินสันหูฮะนางพลบอกเสียงต่ําๆมาว่าก็พี่น้องราชินีกูนวร า, าเรดย์ยังไงล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหญิงดาวเรนวันเวลาใดก็ตามที่เธอทราบว่าคุณต้องออกเดินทางเข้าป่าใหญ่โดยไม่รู้อนาคตโดยมีผมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นนี้รับรองได้ว่าสถานีกักสันของบริษัทไทยไวฟไลฟ์ life, นี่พังแน่ๆแม่ แม่อารวาดแหลกคงจะจิกหัวผมด่าจนเข้าหน้าไม่ติดทีเดียวคุณก็รู้ฤทธิ์เดชของคุณหญิงดีอยู่แล้วเราพินพยิ้มเศร้าผมคิดว่าคุณหญิงคุณชายกลางและคุณชายใหญ่เป็นคนมีเหตุผลทั้งสามคนนั่นคงจะไม่โทษอะไรคุณอัมพลหรอกถ้าหากคุอธิบายให้เข้าใจเสียโดยตลอดใช่สิถ้าอธิบายเหตุผลให้เข้าใจเสียโดยตลอดอีทีนี้ตอนที่ยังไม่มีโอกาสจะได้ทันอธิบายอะไรนี่สินายอัมพลพังเสียก่อนอย่าว่าแต่คุณหญิงเลยต่อให้คุณชายกลางคุณชายใหญ่คุณชายยันหรือมาเรียน ก็รวนแต่รักคุณทั้งสิ้นทั้งห้าคนคงจะรุมเล่นงานอนาัมคนที้แตกไปเลย <c oughs> คุณกุ้มคนเดียวเสียเมื่อไหร่ผมก็กลุ้มอยากจะหนีเข้าหน้าเข้าป่าไปพร้อมๆกับคุณเสียด้วยซ้ําจะได้ไม่ต้องอยู่รอคอยเวลาที่ผมลำบากใจที่สุดวันนั้นท่านใหญ่ตบแขนในห้างก็บเบาๆคุณอําพลอยู่ทางนี้น่ะดีแล้วครับอย่าคิดไปตายกับผมเลยอย่างน้อยก็พอจะอยู่บอกข่าวคราวแก่คนข้างหลังให้ทราบได้บ้างและอยู่เพื่อช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของผม ถ้าหากว่าผมไม่มีโอกาสจะกลับมาอีกไม่อย่างนั้นเราทุกคนก็หายหน้ากันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลายเป็นความลี้ลับที่คนข้างหลังไม่อาจจะทราบได้แล้วเราก็หัวเราเบาๆมองดูหน้าในห้างเก่าแก่ที่รู้ใจกันมานานเปียงรัรกใค้เสริทสนมพันแรกผมยอมรับว่าผมโกรธคุณอำพลมากแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่มีความรู้สึกอะไรอีกแล้วมันเป็นค่าวเคราอหของผมจริงๆและมองเห็นแล้วว่าผมจําเป็นจะต้องไปทำงานครั้งนี้ชนิดเลี่ยงไม่ได้สิทด้วย แต่ ว, ว่าแต่พวกนั้นจะให้เงินตอบแทนผมเป็นค่าเสี่ยงชีวิตเลยต่อให้เขาไม่ให้เลยสักบาทเดียวผมก็ต้องไปอยู่ดีแหละเหตุการณ์บีบบังคับเหลือเกินเหลือ ม, มองดูเช็คในมือ2อง0 0 0 แ, แเหรียญเงินไทยก็5ล้านกึงหล้านจุดเดียวความจริงมันก็ไม่มีค่าอะไรมากมายหรอกสาหรับผมจนนิดเดียวแต่มันก็มีค่าสําหรับลูกน้องของผมทุกคนและมีค่าสําหรับคุณแม่เพื่อเป็นเครื่องยังชีพของท่านในกรณีที่ลูกชายคนเดียวของท่านหายสาบสูญไปในป่า คำพูดลำพึงจากใตจริงของเขาทำให้น้ำฝลตื้นตันน้ำตาคลอจับมือปิบแน่นผมไม่ห่วงคุณเลยเกีย่ยวกับเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากภายในป่าใหญ่เมือขนาดคุณแล้วผมเชื่อร้อยปอร์เซนต์ว่าสบายมากแต่ผมเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุจากกรรมนตภาพรังสีซึ่งมันอยู่นอกเหนือความสามารถในเชิงพลานของคุณและอีกอย่างหนึ่งเสียงน้ำพนแห่ไปเป็นกระซิบยื่นหน้าเข้าไปิดใกล้ไอ้พวกนั้นนะ่ะลงได้ทำงานรับสำคัญสุดยอดแบบนี้ก็พร้อมแล้วที่จะหักหลังใครก็ได้ ภายหลังจากงานของมันสําเร็จลงมันอาจจะฆ่าคุณภายหลังจากที่คูณระเบิดเสร็จแล้วก็ได้ขอให้คุณระวังตัวไว้ด้วยอย่าประมาทเป็นอันขาดระยะทางที่คุณยังค้นหาไม่พบระเบิดนะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนพบระเบิดแล้วนั่นแหละระวังตัวไว้ให้จนหนักนะอย่าได้ไว้วางใจเป็นอันขาดคาวนีรพิ้นยิ้มออกมาได้อย่างจากใจจริงไม่ต้องเป็นห่วงผมในเรื่องนั้นหรอกครับถ้าหากยังอยู่ในป่าพวกนั้นจะมีปัญญาทำอะไรผมได้เป็นอันขาดมีแต่ว่าผมจะหลอกให้ไปตายเสียกลางป่าละมากกว่า แต่ถ้ากู้ระเบิดเสร็จแล้วผมจะกลับมาถึงหนองน้ําแห้งแล้วพวกนั้นจะส่งคนมาเก็บผมภายหลังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็สุดแล้วแต่เวรกรรมคุณเชิดวุฒเป็นฝ่ายคุณนะและไ ว, ว้วางใจได้มากที่สุดผมยังอุ่นใจอยู่นิดนิดที่มีลูกชายท่านในพลไปเพื่อนคุณด้วยในครั้งนี้เพราะนั้นผมเข้าใจดีครับแต่ผมกลับคิดว่าถ้าคุณเชิดวุฒไม่ไปเสียได้ก็จะเป็นการดีสําหรับผมยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องห่วงมากขึ้นอีกคนหนึ่ง คุณอภรรทราบดีอยู่แล้วว่าถ้ากลางฝาลูกล้วก็พวกนี้ทุกคนจะกลายเป็นท้าโรคที่ต้องคอยดูแลไปทั้งหมดนั่นแหละสาหรับพวกกลมห้าคนและลูกหาสิบสิคนนะร้อยลำมากสบายอยู่แล้วต่อให้เกิดจะกระจายแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางทุกคนก็เอาตัวรอดได้โดยอิสระทั้งสิน้นยกเว้นแต่จะถูกกมาภาพรางสีทั้งนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมาผิดเงยหน้าขึ้นไปบนเพดานสูงพวกนั้นยังไม่ไปกันอิปุ้บครับคงจะออกเดินทางตอนค่ํา ผมเชิญเรื่องอาหารเย็นไว้ด้วยทุกคนรับเชิญแล้วตอนนี้ยังตึกสาหารีกันอยู่จอมพันมองดูนาฬิกาข้อมืออีกครั้งหแล้วลุกขึ้นยืนเย็นมากแล้วตองกลับก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นายอัมพลพยักหน้ารพินเดินพระออกนอกเขตชายคาตึกอำนวยการโดยเร็ ว, รวแล้วป้องปากสุโกโไปทางคนของเขาที่ยังมั่วกันอยู่กับคนของคุณอมพลขับบ้านวยจะมืดแล้ว คุณคำจันร์เกิดเสยผ่านจากวงเล่าทเชื่อมกันมาตั้งแต่บ่ายออกวิ่งตรงไปที่รถโดยเร็วกระโดดขึ้นเกาะราวกับริงข้างอย่างานานและรู้เส้นกันดีอยู่แล้วประพินนํารถเคลื่อนออกจากที่ควบพลิงพลรงออกจากสถา น, นีสักกันสักบ่ายหน้ากับสู่หมู่บ้านของเขาคุณคํากับจันทร์นั่งอยู่ในตอนหน้าของรถแลนกับเขาด้วยทุกคนคุยกันเอะอะเด็กสนานแต่แล้วก็ค่อยๆเงียบเสียงไป ไม่เห็นเจ้านายนั่งขับรถอยู่เงียบๆโดยไม่พูดอะไรสักคำจนกระทั่งรถวิ่งเข้าสู่ทางเวียนในละเมาะไม้ท่ามกลางแสงโพลเพของสุธยากลางป่าดงนายเสียงตาเท่าบุญคำผู้อาวุโสกว่าทุกคนเรียกขึ้นเบาๆอาการเมาแแ่ของแกเริ่มหายไปในทันทีจอมพลายไม่ได้หันหน้ามามองโคงมองไปเบื้องหน้าอย่างเหม่อลอยแต่ครางตอบในลาคอือนายเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่า ถ้ายังไงแล้วก็นายนั่งเถอะให้เกิดเป็นขับไปแทนไม่ได้เป็นอะไรหรอกสบายดีนายอยากปิดอะไรพวกผมเลยฉันพูดด้วยน้าเสียงจริงจังจ้องหน้ามีอะไรก็บอกให้พวกลูกน้องรู้มั่งพวกผมนั่งกินเล่าอยู่ข้างล่างก็จริงแต่พอจะมองเห็นนาเห็นอะไรกาถามพุ่นพุ่นระหว่างที่นายขับรถเข้าไปในอำเภอหลังจากที่นายหญิงไปแล้วมีรถคันใหญ่มาถึงที่สถานีกักตั์ คนไทยแก่กับคนไทยหนุ่มสองคนาพาฝรั่งสี่คนมาพบคุณอัมพลเป็นผู้ชายสองผู้หญิงแหม่มสองพวกนั้นขึ้นไปคุยอะไรกันข้างบนตึกอำนวยการอยู่สักพักหนึ่งผู้จัดการประเสริฐก็ขับรถออกไปตามนายแล้วนายก็มาขึ้นไปพบพวกนั้นคุยกันอยู่นานไม่ใช่หรือเออแล้วยังไงพอนายกลับลงมาเห็นหน้ามุ้ยลงมาเลยมันผิดปกติไปมากพวกนั้นมีทธุราอะไรกับนายห ร, าาหรือพวกพ่อค้าสัตวป่าหรือพวก นักท่องเที่ยวป่าจะไปจ้างให้นายพาเที่ยวป่ากระมังคุณคำถามบ้างอย่างฉลาดถ้ามันเป็นผู้พ่อค้าสัตว์ป่าหรือนักท่องเที่ยวป่ามันก็ดีละสิแต่มันไม่ใช่เขาพูดออกมาอย่างหงุดหงิดพวนั้นอ้าปากหวัวมองมาที่เจ้านายเป็นตาเดียวอ้าวแล้วพูดนั้นมีธุรัอะไรกับนายละ่ะจะพินตอบรู้สิษยของเขาไม่ตรงคําถามเราจะต้องเข้าป่ากันอีกแล้วไปนานเสร็จ ด, ด้วยอาจจะนานเท่าๆกับที่ปลกเพื่อเขาปัิวะครั้งนั้นเดียว มึงทำกับจันร์มองหน้ากันเองไอ้เรื่องเข้าป่านะมันเรื่องเล็กจะบุกเทือกเขาพะซิวะหรือจะรุโคกพูมาอย่างที่แล้วแล้วมามันไม่สําคัญหรอกแต่มันสําคัญตรงที่ว่าท่าทางของนายไม่สบายใจเลยเห็นแม่านายแล้วหายเมาไอ้คํารู้นะว่านายไม่สบายใจมากอย่าเพิ่งถามอะไรเดี๋ยวนี้เลยกลับไปถึงบ้านเราเสียก่อนดีกว่าเพราะตัดกนทั้งหมดนั่งเงียบกันมาตลอดทางเมื่อสนิทเมื่อรถจิบคันนั้นถึงหนองน้ําแห้ง รถจอดลงที่เดิมก่อจะ แ, แยกย้ายกันขึ้นบ้านท่านใหญ่สั่งพวกลูกศิษย์ของเขาว่าทุกคนไปอาบน้ํากินข้าวเสียให้เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมาพบฉันบนบ้านในหนึ่งชั่วโมงนี้ละเพลินไพร์วันอาบน้ํำปลีเครื่องแต่งกายเสร็จกินอาหารขําอย่างซุ่มเซาตำลำพังคนเดียวซึ่งจัดหาได้โดยเด็กสาวลูกบ้านที่พัดเวียนกันขึ้นมาปฏิบัติเขาเป็นกิจวัตรประจําวันหลังอาหารแล้วก็นั่งดื่มและสูบบุหรี่อยู่ที่เก้าอี้ผ้าใบตำลำพัง เพียงคู่เดียวพานผู้นเนือทั้งสก็เดินเรียงแถวกันขึ้นมาบนเรือนทั้งหมดพากันนั่งลงกับพื้นตรงหน้าเขาจอมทานลงจากเก้าอี้พระใบที่เอกเสนอยู่มานั่งขัสหมาอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นเขาไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องปิดบังลูกน้องร่วมตายทั้งสี่เล่าให้ฟังตามความจริงทั้งหมดว่าเขาและพวกนั้นจะต้องรับหน้าที่ทําอะไรกันบ้างอย่าชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณคำจันเกิดเสยไม่แสงท่าทีวัตื่นเต้นหรือตกกังวลอะไรกับการที่ต้องท่องไยลึกอีกครั้งและไม่ว่าจะใช้เวลานานกับเท่าไหร่่อป่าก็คือบ้านของพวกเขาอยู่แล้วเพียงแต่แปลกใจที่เจ้านายจำเป็นจะต้องเดินทางไปในครั้งนี้อย่างเรื่องไม่ได้เท่านั้นเพราะทั้งสี่คนไม่เข้าใจในความสำคัญของสาเหตุระเบิดหาเหวอะไรของมันกันนายถึงกับจะต้องไปตามด้วย มันตกอยู่ในป่าก็าให้มันตกหายไปสิทำไมจะต้องไปตามไปเก็บเพื่อให้เสียเวลาเสยถามเป็นการยากหลือเกินที่เขาจะอธิบายได้มันไม่ใช่ระเบิดธรรมดาหรอกแต่เป็นระเบิดที่ร้ายแรงกว่าระเบิดธรรมดาหลายร้อ ย, ห ล, ย, ห, ล ย, ห, ลยหลายล้านเท่า ป่าใหญ่จะสิบหายทั้งป่าทีเดียวหรือเมืองก็อาจจะล่มลงไปทั้งเมืองได้ถ้ามันระเบิดขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นอาวุธลับของพวกนั้นที่จะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้หรือถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็มีไอระเหยออกมาเป็นอันตรายต่อพูชพันธุ์สัตว์หรือคนได้ในบริเวณที่กว้างไกลามากบางเอิญมันมาตกอยู่ในแถบที่เราเคยท่องเที่ยวอยู่ตกอยู่ในเขตบ้านของเราหรือเขตประเทศเพื่อนบ้านของเรามันจะเป็นสาเหตุทําให้ความยุ่งยากตามมาได้สารพัด อาจจะเกิดสงครามโลกขึ้นก็ได้ถ้าเฉินปล่อยทิ้งไว้เราไปทํางานครั้งนี้เราไม่ได้ไปทําเพื่อพวกเขาแต่ไปทําเพื่อความปลอดภัยของปนะเทชาติเราด้วยฉันเองก็ไม่คิดที่จะเดินป่าเลือกเสี่ยงอันตรายอย่างครั้งก่อนนี่อีกแล้วแต่คราวนี้มันจําเป็นจริงจริงผ่านเพื่อนเมืองสี่คนมองหน้ากันเองไปมาซุบซิบเป็นอยู่คู่หนึ่งและบุญคําซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มนั้นก็ยกมือขึ้นโปสิทธ์อ้อยไม่รู้เรื่องมันจะมีความสําคัญยังไงก็ช่างหัวมันเถอะเอาว่าทนายไป พวกของบุญคาก็ไปด้วยก็แล้วกันนายกับเมื่อไหร่พวกบุญคําก็กลับอยู่ด้วยกันตายด้วยกันถึงไหนก็ถึงกันสําคัญว่านายอย่าแอบหนีบุญคาไปคนเดียวก็แล้วกันเท่านั้นแหละขอรู้ร่วงหน้ามาแล้วว่าคนพวกนี้นะ่ะพูดง่ายเสมอในโลกที่จะปลุกป่าขาดงพอเพียงให้มีเขาไปด้วยเท่านั้นตรงข้ามถ้าไม่ให้ไปเสีอีกจะวุ่นวายและคงจะไม่มีใครยอมแน่นอนไม่มีใครถามว่าจะไปทิศทางใดใช้เวลานากับเท่าไหร่ เรื่องอันตรายสัพเพียงไหนแต่กับจันถามว่าว่าแต่นายจะออกปากครั้งนี้ไม่คิดถึงนายหญิงบ้างเลยอก็จะไปนานๆน่ะคําถามประโยคนี้ทําเอาเขาแทบอึดนิ่งงนันตอบไม่ถูกแล้วก็ดันทะลึ่งถามมาอีกไม่เห็นเขานิ่งไปว่าแห ม, มสองคนนั่นสวยใช่ไหมนะนายแต่พวกของบุญคําไม่เห็นว่าสวยไปกว่านายหญิงของพวกเราเลยให้ตายสิแล้วก็หันหน้าไปทางพวกพวกจริงไหมว่าไอ้จันไอ้เกยแล้วก็ไอ้เกิดเองละ่ะเห็นเป็นยังไง คนผมแดงนมแต่ละข้างเนี่ยก็ลูกโปง่งอัดลมที่ขายในงานวัดเนี่ยเกิดว่าส่วนคนผมทองนั่นตูดเท่ากับกระเชอว่ะแบบนี้ลุงคำบอกว่าแอบดูตอนอาบน้ำสบายตามากแฮ่แ <c> ข <oughs> ่เตยเสริมมาเร็วๆลุงคำสะบดออกมาคำหนึ่งทีผักเขาให้ชี้สี้างของเจ้าฟานเด็กหนุ่มลมตะแคงไปเห็ <c oughs> บบนกูมีอาชีพแอบบดูฝลังตัวเมียอาบน้นไปได้ไอเฮียดงสวยนี่ ของมันดูกันได้นิวาพวกมึงไม่เคยย่องตามหลังกูไปดูหรือไงวะเดี๋ยวพักจะเป็นไยวันอารมณ์มัวเสียจนไม่ได้สนใจอะไรกับการคุยเล่นคนองของลูกน้องเขาลูกจักวงเป็นนั่งที่โต๊ะกินข้าวและหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมานั่งคิดอยู่ครู่ก็เขียนลายซื่อของพรานพื้นเมืองในเขตหมู่บ้านซึ่งเคยเป็นลูกน้องในเวลาเข้าป่าดักสัตว์ของเขาลงไปในกระดาษแผ่นนั้นเป็นจนวนสิบคนแต่ละคน คัดเอาพวกที่มีฝีมือชานาญการเดินป่าและแข็งแรงพิเศษทั้งสิ้นแล้วฉีกกระดาษแผ่นนั้นออกพยักหน้าเรียกเกิดซึ่งอ่านหนังสือคร่องกว่าทุกคนเข้ามายื่นกระดาษแผ่นนั้นให้ไปตามไม่พอใจฉันเขียนลายชื่อเหล่านี้มาให้ครบทั้งสิบคนตามมาเดี๋ยวนี้แหละและให้ขึ้นมาพบ ก, กับฉันบนนี้ทั้งหมดใครนอนแล้วปลุกมันขึ้นมาบอกมีเรื่องด่วนที่สุดเชื่อว่าเจ้าพวกนี้คงจะไม่มีใครออกส่องสัตว์หรือเข้าป่าในคืนนี้หรอกคงจะยังอยู่กันครบนั่นแหละ ช่วงไม่เกินครึ่งชั่วโมงชายจาัดการอันรวนเป็นบริวารลูกบ้านของเขาจำนวนสิคนก็ทยอยกันขึ้นมาบนเดือนและนั่งกันเป็นนอกชานญไยหมดคนเหล่านั้นอยู่ในวัยระหว่าง 25-50 ปีเป็นอย่างสูงแต่ละคนก็ร้วนแต่มีอาชีพเป็นพรานและเป็นคนงานในการออกป่าเพื่อดักจับสัตว์ของเขาทั้งสิ้นทุกคนนับถือเขาเสมือนรูปบิดามากกว่าที่จะคิดว่าเป็นหัวหน้าของหมู่บ้าน และทุกคนก็คุ้นเคยกับการสนิท ต, ตัวกันของเขาทั้งสี่คนเป็นอันดีทั้งหมดนอกจากจะเชื่อวังเขาคนเดียวแล้วรอนลงมาอันเป็นที่นับถือก็คือตาพานเท่าบุญคําซึ่งเป็นหัวโจกที่สุดในหมู่บ้านหนองน้ําแห้งตะพินเรียกทุกคนเข้ามานั่งร้อมวงเขาไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรมากนะักนอกจากจะบอกให้ทราบพวกแกาว่าจะต้องออกเดินทางไปเพื่ออะไรและทุกคนจะได้รับเงินค่าจ้างชนิดคุ้มค่าเหนื่อยอย่างไรแล้วก็ขอความเห็น โดยไม่บังคับว่าใครจะสมัครใจไปหรือใครจะสมัครใจขอถอนตัวแต่ทั้งสิบคนเป็นคนที่เขาเลือกไว้ก่อนแล้วง่ายดาที่สุดไม่จําเป็นปจะต้องขอเวลาคิดรู้ปรึกษาหาหรืออะไรกันมากนักสิบพรานที่เขาหมายตัวเอาไว้แล้วแสดงความยินดีที่จะร่วมทาง ก, กับเขาในฐานะลูกหาบไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนและไม่มีใครซักถามอะไรมากด้วยแม้แตนในด้านผลประโยชน์ ปลัศจากการเกี่ยงงอนหรือการต่อรองอะไรทั้งสิ้นแม้นพรานใหญ่จะย้ำให้ทราบว่าคิดตูให้ดีๆให้รอบคอบเสียก่อนนะการไปครั้งนี้นะ่ะเป็นกับตายเท่าๆกันสบายมากนายเรื่องจะอยู่หรือจะตายนะไม่สำคัญหรอกขอไปด้วยคนก็แล้วกันปาบซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่สุดในสิบคนที่ขึ้นมาใหม่บอกหน้าตาเฉยถ้างั้นก็ดีแล้วทุกคนไปเตรียมตัวได้ ทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมเสร็จภายในเวลาสามวันเป็นอย่างช้าใครมีปืนประจํามือเคยใช้อย่างไรให้อปืนกระบอกนั้นติดตัวไปด้วยยกเว้นปืนแก๊สพวกที่ใช้ปืนแก๊ปให้มาเบิกปืนลูกสองได้ชะนี่พรุ่งนี้ทานทั้งสิบซึ่งรับรู้ภาวะของการเป็นรูปหาบเดินลงเรือนไปอย่างเงีบเงยบๆเหมือนเมื่อตอนที่ขึ้นมาภายหลังจากประชุมอยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงคนเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายดายมากของให้ระเบียนใครวันที่พวกเขาบูชาเป็นคนสั่งเท่านั้น สำหรับลูกศิษย์คนสนิทของเขาสี่คนจอมพลังก็ไม่มีอะไรจะต้องสั่งให้เสียเวลาอีกคนเหล่านั้นรู้งานและรู้หน้าที่ดีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าถ้าหากเป็นการออกเดินป่าปบนแดนกันดารโดยไม่รู้นาคนเช่นนี้แต่ละคนจะต้องตระเตรียมตัวเช่นไรบ้างซึ่งทิฏฐิพิณจะต้องกําหนดให้ทราบล่วงหน้าก็คือเปืนประจําตัวของแต่ละคนเท่านั้นทุกคนเหล่านี้จะต้องทําหน้าที่เป็นพานคุ้มกันพวกลูกหาบและพวกนายจ้างหลายด้วยยัน ปืนถนัดลูกซองบาลนิ่ง5นัดอัตโมติเกิดกับเสยเคยใช้เพียงแค่ 0. .30 ทัก .06 ตั้งแต่สมัยบุกเบิกเสื้อขาวพะศิวะและปืนเหล่านั้นส่วนมากก็เป็นปืนของคณะนายจ้างเก่าททิ้งขึกระบอกไว้ให้เป็นที่ระลึกณนะบ้านพักหนองน้ําแห้งนั้นเองแต่คืนนี้เขากําหนดชัดออกไปว่าย่างต่ํำ .375 ทุกคนไม่มีใครแยง้งจะเป็นปืนอะไรขนาดไหนพรานพื้นเมืองตัวกันของเขาล้วนยิงได้ในเกณฑ์ดีทั้งสิ้น นายมีสามเจ็บถ้าอยู่แค่สองกระ บ, บอกเท่านั้นเองนะ น, นายข้าบุญคำบอกเพราแกรู้ดีอยู่แล้วใทยในคลังปืนราชสัตว์ของเจ้านายจนสามารถจะจะรนายถูกหมดว่ามีกระ บ, บอกอะไรบ้างวินเชเสเตอร์อีกแก่ของนายหนึ่งกระ บ, บอกละซีแซดของนายแมมมาเรียนอีกหนึ่งกระ บ, บอกก็แค่นั้นเองแล้วอีกสองกระ บ, บอกจะเอาที่ไหนบุญคำเนี่ยขอจองอีกแก่ของนายก่อนละเคยมือกันมานมนานแล้ว มันก็จริงอย่างที่ปุนคําบอกระหว่างที่พานใหญ่นิ่งคิดเสิก็บอกว่าเกิดคิดถึงนายแม่มมาเรียนไม่รู้จะได้ลูกหญิงหรือลูกชายที่แซดกระบอกนั้นขอให้เกิดใช่นันนายเสยกับจันมองดูหน้ากันนิ่งไปครู่หนึ่งจันก็ว่าแล้วจันกับเสรจะเอาปืนที่ไหนล่ะจันว่าเอาลูกซองห้าหน้าตามเดิมดีกว่าส่วนไอ้เสรก็ให้มันใช้จุดสามศูนย์ทัหกศก็ได้ลูกซองเรามีอย่างเหลือเฟือแล้วจากพวกสิบคนนั่นจันกับเสรยังหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พรุ่งนี้ฉันจัด ก, การให้เองในห้างอําพลเขามีตั้งเยอะแยะไปเอาของเข้ามาสักกี่กระ บ, บอกก็ได้ที่ต้องการให้ทั้งสี่คนใช้ปืนขนาดเดียวกันทั้งหมดก็เพื่อความสะดวกในการบรรจุกระสุนที่จะต้องเอาไปจะได้ไม่ต้องเอาไปหลายชนิดนะักประเดี๋ยวหยิบผิดหิบถูกและยังพออาศัยกระสุนกันได้ในเวลาจําเป็นจําไว้อย่างเดียวว่านายจ้างของเราทั้งห้าคนฝรั่งสี่คนไทยหนึ่งจะได้รับอันตรายใดๆจากสัตว์ป่าไม่ได้ประอันขาดยกเว้นแต่เหลือวิสัยของพวกเราจริงๆเท่านั้น ทุกคนมีหน้าที่คอยประกบตัวให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวไปและไม่จําเป็นจะต้องให้เขารู้ตัวพวกเขาห้าคนพวกเราที่จะคุ้มกันก็มีห้าคนพอดีบุญคํำปิดป่ากขอเราะ อ, อีกครั้งถ้างั้นบุญคําขอจองตัวแหม่มผมแด ง, ง, งเองนะนายรับรองลิ้นจะไม่ให้ไตไรจะไม่ให้ตอมทีเดียวก็ได้และพินว่าแต่บุญคําอาจจะถูกไอ้หัว ยัทรงรันบินกระทืบเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะแ้าฉันเองก็ช่วยไม่ได้ถ้าฝรั่งตัวโตวนั่นมันรำเท้าถวายผางให้บุนคำในกรณีสัประรดน่าเท่าอาดีตพานแห่งเขาลุ่มครึมอ้าปากหัวอีอกสาคนหัวเราะกันลั่นเจนสกิทสีข้างยานคางบอกว่าพี่คำคิดให้ดีนะแมมผมแดงนั่นนะดูท่าทางเซเคียวเยกิ่งกว่านายแมมมาเรียนสักสิบเท่าก็ไม่ปานตอนที่เรานั่งกินเหล้ากันอยู่พวกนั้นเดินผ่านขึ้นไปบนตึก อำนวยการนั่นนะ่ะจะเห็นแม่เดินสายทะโงพกเสียงก้นเสียดสีกันนะเย็ดอาร์เอ็ดอาร์ติดเดียวแหละแต่ข้าว่าแม่ผมทองตัวสูงนั่นจะดุเดือดชนิดเงียบๆมากกว่าละนะตายอย่างนี้คมเบลเชียวเดินป่าคราวนี้นายของเราคงจะหนักใจเสียยิ่งกว่าบุตรเขาเขาสิวะเสีอีกเขาขาสิทานเท่าจอมสับประรดโคตรอ่อยๆแล้วหันมาชมเชยมองหน้าเจ้านายกระพินขโมดคิ้วอย่างหุดหงิดบุบปากกันสียทีธนาแล้วก็ไปหลับไปนอนกันได้แล้วไป กระบอมือไล่พวกนั้นยังหัวเราะกันที่คักนาดเตะทุกคนเพื่อนซึกซือนรื่นเริงเป็นปกติดีไม่มีใครแสดงอาการวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้น่า ก, กันลุกขึ้นเดินเรียงแถวร้องเพลงจะเหลี่ยงลงจากเรืนไปบุนทําอยู่ท้ายเพื่อนก่อนจะก้าลงบันไดไปแกหันมาถามคนหัวเราะว่ า, วานายฝรั่งสองคู่นั่นหัหัวเมียกันหรือเปล่าไม่ใช่หัวเมียกันหรอกเขาจะเป็นคนที่ต้องทํางานร่วมกันเสียงพูดดังๆ ลอยๆระหว่างที่ตาเฒ่าเดินลงบันไดหลังท้ายเว้ามาให้ได้ยินว่าต่อให้เป็นผัวเมียกันมากันแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเข้าท่าอยู่แล้วลงไม่ได้เป็นผัวเมียกันนายกูเห็นท่าจะแย่แล้วเว้ยฮ่าเสียงเพลงกระเรียงเพลงลิเกผสมกับเพลงลูกทุ่งแว้าหางออกไปทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความสนัส่วิเวทของบรรยากาศนกป่าละเมออยู่บนยอดไม้นานๆครั้งจะแว้าเสียงเก้งร้องออกมาจากท่ายดง ละพินนั่งจมตัวอยู่ในความเงียบนานในที่สุดก็เดินกลับเข้าไปในห้องเปิดประตูตู้เก็บปืนขนาดใหญ่ปลายตีนเตียงอ้ากว้างออกแล้วยืนพิจารณ า, น, า น, นิ่งอยู่ที่ราวเปิดอันเตรียงรายกันอยู่บนตับนั้นกระบอกแรกกระเพื่อไรเฟิร์นจุดหกนยในตรเอ็กซ์เพรสซึ่งชายยันใช้เป็นปืนประจํามือจากต้นจนวินาทีสุดท้ายของการกลับทําให้เขาพลันลุกไปถึงเพื่อนรักติดในฐานปืนใหญ่ถัดมาเป็นจุดสี่หกศูน วิดีภาพของดรฮอกมันหัวเก่าผู้วายชนของมาเรียนเป็นภาพผ่านเวบเข้ามาในมโนคิดปืนกระบอกนี้ตกมาเป็นปืนคู่มือของคุณชายเชื่อถาอดีตหัวหน้าคณะราชนิพูลผูท้ที่เขาเคารพนับถือในใจและความเป็นสุภาพปุดรอยเปรเซ็นต์กระบอกต่อไปเป็น c z แซดจุ l สามสิบห้าฮอลแลนด์อฮอแลนด์ประจำมือของมาเรียนซึ่งกรัมสุดหนักมาอย่างโชคโชนและสาวรดผสมระหว่าง เยอรมันและฝรั่งเศสคู่นี้บัดนี้เป็นสุขกับครอบครัวใหม่อันอบอุ่นรวมทั้งทา ย, ยาทที่กำลังจะเกิดใหม่ด้วยกระบอกที่4ี่ซึ่งตั้งเรียงกันอยู่แต่พินจ้องแล้วก็ต้องถอนถอนใจและทำเกิดความเศร้าขึ้นมาอย่างเล้นลับจนต้องยืนซึมนิ่งไปชั่วขณะในที่สุดก็ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาถือประคองไว้ในมือทั้งสองมันคือจุด300ศูศวิคเรีแม็กนัมเจ้าของจะเป็นใครเสียอีกถ้าไม่ใช่แม่ดอกฟ้าดารินคนนั้น บัดนี้เจ้าของผู้ซึ่งนอนอยู่กับข้าวบนเตียงเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยและจากไปแล้วจะรู้บ้างไหมหนอว่ารักพินใคยวันคนนี้กําลังจะจากไปแล้วสู่อนาคตที่ไม่มีใครจะทํานายได้นอกจากสวรรค์เบื้องบนเท่านั้นหล่อนจะคิดถึงห่วงใยกับบ้างไหมจะร้อนรุ่มกระวนกระวายใจเพียงใดหรือไม่หากรู้ความจริงทั้งหมดภายหลังจากที่เขาได้จากหล่อนไปแล้วชีดิตที่คงไม่มีวันตามพบยกเว้นแต่จะมีชีวิตรอดกลับคืนมาเท่านั้น ดูเอาเถอโชคชะตาชีวิตมันช่างผันไปได้อย่างหน้ามือเหลังมือชนิดคาดหวันไม่ได้ร่วงหน้ามาก่อนเลยทั้งเขาละหล่อนมีจุดนัดพบกันแน่นอนแล้วที่กรุงเทพแต่แล้วก็กลับมีเหตุการณ์จะเป็นแทรกเข้ามาอย่างม่รู้เนื้อรู้ตัวสบายเบี่ยงแก้ไขอย่างไรก็ไม่ได้ทั้งสิน้นท่านใหญ่ถอนใจยาวบรรจงวางลายเฟินกระบอกนั้นเข้าที่ตามโดงและยุติการพิจารณาเปื่อนเก่าๆที่เคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วเหล่านั้น ่ตงตั้งทิ้งไว้ให้เป็นพิธธพิธภัณฑ์ภายในตู้โดยปิดตู้ลงเสียโดยเร็วไม่อยากจะมองไม่อยากจะพิจรารณามันอีกและยิ่งเห็นไปแต่แตและกระบอกก็ยิ่งหวนคิดไปถึงความหลังที่อยากจะลืมเสียให้หมดสิน้นเพราะว่าก็ไม่อาจจะลืมลงทุกกระบอกที่อดีต นายจ้างได้ใช้เป็นปืนคู่ชีพบูกบั่นควันป่ามากับเขาโดยตลอดถูกเก็บไว้ในตู้นี้ทั้งหมดโดยไม่ได้เอากลับคืนไปไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวเขายังจําได้ครั้งสุดท้ายก่อนจากกันพี่นนองน้ําแห้งแห่งนี้ผู้ชายเชิดขาผู้เป็นหัวหน้าคณะเข้ามาจับมือเขาและบอกกับเขาว่าฝากปืนทั้งหมดเหล่านี้ไว้ด้วยนะปะพินทรงเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าพวกเราและเธอระลึกถึงคุณเพ้่ว่า จงอย่าลืมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยผนึกชีวิตร่วมกันมาแล้วยิ่งกว่าเพื่อนน้ำมิตรใดๆ ใ, ในโลกนี้สักวันหนึ่งพวกเราทั้งหมดจะกลับคืนมาดูมันอีกสักครั้งจากวันนั้นจจนกระทั่งวันนี้เขาเก็บรักษาปืนที่คณะนายจ้างมอบไว้อย่างดีที่สุดทุกกระบอกสำระร้างเกลี้ยงสะอาดปราศจากสนิมแม้แต่นิดเดียวและเขาไม่เคยหยิบกระบอกใดกระบอกหนึ่งออกไปใช้งานเลยทั้งขึ้นนอกแต่จะใช้ปืนประจำตัวที่เคยใช้อยู่ดั้งเดิมเท่านั้น ยังจำได้ต่อไป น, น้ำเสียงหวานคนสพ ย, ยของผมราชวงศ์สาวคนสวยที่แอบเข้ามากระซิบต่อจากพี่ชายว่าอื่นก็บอกอืน่นจะละเลยเสียก็ไม่ว่าะอะไรหรอกนะแต่จุด30มศูนย์ศนย์วิทบีแมกนั่นกระบอกนี้อย่าให้เป็นสนิมเสียละถ้าหวนกลับมาตรวจดูวพบ ว, ว่ามันเป็นสนิมเมื่อไหร่มันจะเป็นลางร้ายแห่งความรักที่ฉันมีต่อ น, นายพรานของฉันแต่เป็นใครวันไม่กล้าสืบลาเฟิ่อของดาเรนกระบอกนั้นขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งว่ามันเป็นสนิมหรือบ้างหรือเปล่า เขากลัวกลัวว่าจะบังเอิญไปพบสนิมเข้าหรือว่ามันได้เกิดสนิมขึ้นเสียแล้วยอมทานผ่าจากตู้นั้นโดยเร็วเดินมาที่โต๊ะเขียนหนังสือข้างเตียงไขใสตะเกียงลาที่ตั้งประจำอยู่ให้สว่างขึ้นนั่งนิ่งไปอีกครู่หนึ่งก็ลงมือเขียนโน้ตสั้นๆช้าตรู่วันรุ่งขึ้นละพินกับคนของเขาเข้าไปในสถา น, นีกักกันสับอีกครั้ง ทุกคนารบริษัทไทยไวฟไลฟ์รอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกินบ่ายสองโมงมันช่วยเขาปลอดปรัและสบายใจขึ้นต่อหนึ่งสำหรับมารดาผู้ชราของเขาก็ไม่มีอะไรยากเพียงแต่ไปกราบตามปกติและบอกว่าจะต้องเข้าป่าแน่ละอาจจะนานหน่อยก็แค่นั้นเองทาให้ผู้กาเนิดพยักหน้ารับทราบให้พรแล้วก็เตือนสติว่า แม่อยากจะให้ลูกเลิกเป็นพลานเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันบาปนะลูกนะเอาไว้ให้ผมตั้งตัวพอจะหันไปทํางานอย่างอื่นได้ผมก็จะเลิกงานอย่างนี้เสียทีเหมือนกันละครับแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ล่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรโดยไม่จําเป็นจริงๆนอกจากไปจับสัตว์มาส่งขายให้กับสนสัตว์เท่านั้นก็าตอบ เมื่อกลับจากอำเภอมาถึงสถา น, นีกักสัตว์อีกครั้งประพินขอไรเฟิลขนาดจุดสามจแมกนัมจากในห้างอัมพล2กระบอกสำหรับจันและเซร์ซึ่งปืนขนาดนี้ยังขาดมืออยู่กระสุนไม่มีปัญหาอะไรมากนะสถา น, นีกักสัตว์ของน้ำพลเป็นคลังอยู่แล้วและเขาก็เบิกเป็นประจำจากแหล่งนี้จะเอาสักเท่าไหร่ก็ได้อาจจะขุดขักเล็กน้อยเมื่อเขาถามหากระสุนขนาดจุดสแปดแมกนัมแอฟริกันซึ่งตัวเองมีสำรองอยู่ไม่เกิน30นัดเท่านั้น คุณจะใช้4ี่ห้าแดที่คุณชายเคยเมอบให้กระ บ, บอกนั้นหรือผู้จัดการถามคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันจําเป็นสําหรับผมที่มีหน้าที่ที่จะป้องการชีวิตของทุกคนในคณะถ้าจะว่าอันที่จริงแล้วไอ้จุดสี่ห้าปมันก็ยังจิ๋วไปเสียด้วยซ้ําสําหรับการปลูกป่าคราวนี้แต่ใหญ่กว่านี้ผมก็ขี้เกียจจะแบบแ่งกระสุนขนาดนี้ผมไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรผมจะวิทยุถึงท่านนายพลให้ท่านจัดหานําติดตัวมาด้วยสักเท่าไหร่ดีสามร้อยนัดทอไหม มากไปครับผมไม่ได้ไปลบ ก, กับใครมีไว้สำหรับกันไม่ให้ทางมันกระทึกใครหรือเสือลากไข่ไปขย่เทานั้นขอร้อยนัดก็พอครับขอเป็นหัวแข็งห้าสิบหัวอ่อนห้าสิบูปมาตรฐานธรรมดาจากโรงงานนั่นแหละครับไม่ต้องการลูกที่โรดเป็นพิเศษอย่างใดทั้งสิน้นโอเคทุกอย่างจะเรียบร้อยนาคนตกไหลเขาแล้วส่งสิ่งที่ถือประกอบประคองอยู่ในมือให้เขาแต่เินทุตาง ง, ง อะไรครับรับปัาน่านี่เป็นสิ่งเดียวที่ผมจะให้คุณได้รเพินแบมือออกนายพลยกขึ้นไหว้จบศีรษะแล้วบนรจงวางลงในมือของเขาสมเด็จวัดลักขังรุ่นแรกที่หายยากที่สุดเนื้อผงละเอียดละอองามตาชิดเดียวภายในที่วรทองคำซึ่งเขาจำได้ว่าผู้จัด ก, การไทย Life Life Classic, ไวฟไลฟ์แผลติดคอเป็นประจำจำยังเคยคุยฟังด้วยว่ามีคนมาให้แล้วถึงสองแสนบาทแต่ไม่ยอมให้เช่า แต่พินยิ้มยกมือขึ้นจบปูชาแล้วส่งคืนไปให้แนมพลลืมตาโตอุทานออกมาอ้าวทำไมล่ะเขาสันศีษะนิมนท่านไว้ในที่อันควรเถอะครับผมเป็นพานแต่ไหนตะลายมาผมไม่เคยเอาพระเครื่องเป็นที่คุ้มครองใครพอรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ทำบาปเป็นประจำอย่าให้หลวงพ่อท่านต้องมาเดือดร้อนกับผมด้วยเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเทวดาประจาตัวผมดีกว่าพานป่าจันเสือกพกพระ อีกมันก็บ้าเต็มที่คระนายอยู่ในหัวใจของผมแล้วอืคุณก็มีอุดมคติแปลกๆไม่เหมือนใครนะอ้าตามใจมีอะไรที่ผมจะรับใช้คุณได้อีกบ้างก็บอกมาเลยไม่ต้องเปลงใจตอนนี้ยังไม่มีหรอกครับแต่วันที่จะออกเดินทางอาจจะมีอะไรว่าวา น, นคุดกําพลเล็กน้อยเท่านั้นคุณไปกับคณะนี้ที่หนองน้ําแห้งด้วยไม่ใช่หรอครับใช่ผมกับท่านในพลจะไปส่งพวกคุณทั้งหมดที่ ห, ทหนองน้ําแห้งและรอส่งพวกคุณ็นออกเดินทางทีเดียว ก็คงเหมือนครั้งที่คุณไปกับคณะคุณชายเชิฐานนั่นแหละว่าแต่ลูกหาบสิบคนหาได้ครบเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วครับทุกคนมีชื่อระบุชัดอยู่ในพินัยกรรมที่ทนายความของคุณทําไว้เรียบร้อยทั้งหมดเอาละครับผมไปก่อนละจะได้จัดเตรียมบ้านพักไว้ให้เรียบร้อยก่อนก็ถึงอย่างไรก่อนออกเดินทางแท้จริงพวกนั้นก็คงจะต้องค้างแรมที่หนองน้ําแห้งอย่างน้อยก็หนึ่งคืนมายจัดของอีกสองวันต่อมา ซีฟขนาดใหญ่แบบเดียวกับที่ทางบริษัทเคยใช้บรรทุกสัตว์ป่าก็เคลื่อนเข้ามาจอดอยู่ยังรานหน้าบ้านพักของระพินจอมพลานอยู่ในระหว่างการชํ า, สสาระสระสังขวจสอบปฏิบัติการของก4 5 8ดสีาแป็กนัมแอฟริกันของเขาอยู่ชงโงบลน้าต่างเรามามองก็ เ, เห็นคนกลุ่มใหญ่ที่ยอยลงมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่มีชาว บ, บ้านหนองน้ําแห้งแหกขึ้เข้ามามุงร้อมกันเต็มเสียงนายอําพลทักใครต่อใครอันเป็นรูปบ้านของเขาโ ว, ว้กเวทไปหมด จอมพลไต่บันไดบ้านทาสังขงเข้าลงมาถึงพื้นก็เผชิญหน้ากับนายพลซึ่งกลา ย, ลายาเป็นคนแรกเบื้องหลังออกไปเป็นกลุ่มของนายจ้างอเมริกันท่านนายพลวิชัยและพลบรีเชต์บุตรซึ่งกําลังยืนหันมามองไปรอบๆ บ, บ, บริเวณของหมู่บ้านหนองน้ําแห้งอย่างตื่นตาเขามากันแล้วแนายพลบอกยิ้มยิ้มเฮ้ก็ผมเห็นอยู่แล้วนะครับไม่เห็นจะต้องบอกก็ได้ทานใหญ่ยิ้มตอบแล้วเดินตรงเข้าไปสิ่งแรกที่ทํา คืมกมือขึ้นไหวท่านในผลซึ่งอาวุโสที่สุดแล้วก็ประสานมือกับหัวหนาคณะดรสเตอรี่เป็นคนแรกหนองน้ำแห้งยินดีต้อนรับคณะของท่านครับดเตร์สเตอรี่หัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เขย่ามือเขาแรงๆตาสีฟ้าเป็นประกายยิ้มไม่อย่างแจ่มใสคุณมีที่อยู่อันน่ารักเหลือตัวน่ารพินธรรมชาติที่นี่สงบสวยงามมากคิดเป็นคนที่สองสู้ประสานมือเขาแต่คราวนี้เป็นการจับสันธรรมดาไม่แกล้มบีบเหมือนเมื่อพบกันครั้งแรกเขาน่าขมขม เครงเครงดีใจที่ได้พบกันอีกและดีใจที่ได้ร่วมเดินทางไปกับคุณแน่นอนเราร่วมทางกันแน่เขาตอบอย่างสุภาพซ้ํายังต้นศีรษะให้นิดหนึ่งเบลแม่แม่ผมแดงยิ้มรื่นผิวหน้าและลำคอสีชมพูคล่องหล่อนเกาะคราวไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็ก็กจากอากาศอบอ้าวและการเดินทางไม่ได้จับมือเขาเพียงแต่โบกมือให้ทักว่าคามิสเตอร์ฮันเตอร์วันนี้คุณดูสดใสแจ่มชื่งกว่าวันรกที่เราพบกัน อำนาจดอลล่าร์ของคุณมันก็ทําความจําใสผมได้ไม่เรหลือเดียอล้วครับเขาตอบบนหัวเราะในทันทีที่หล่อนจบประโยคแล้วก็มองไปทางคริสผู้ซึ่งยังยืนหันหลังมองทุมิวิเทศรอบตัวอยู่เหมือนจะไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นหล่อนนุ่งยีนสีน้ําเงินรัดรูปและเสื้อยืดแววแขนล็กพอห อ, หอสีเนื้อมีแจ็คเก็ตเข้าชุด้าดอยบนบ่าสิ่งที่หล่อนจ้องมองอยู่ในขณะนั้นก็คือบ้านทราลาที่ปลูกความระหว่างโขดหินใหญ่และ พบคาต้นไม้ของเขาต่อเมื่อหัวหน้าคณะหันไปเรียกเบาๆหล่อนจึงหันกลับมาด้วยปริยาอันเยือกเย็นมีรอยยิ้มนิดๆอันเป็นบุคลิกเดิมอย่างที่เคยเห็นแล้วพ่ดในฝ่ายเดินเข้าไปทักก่อนหล่อนมองเขาอย่างปิดในจิตนาพูดเบาๆด้วยเสียงสำลึกว่ารู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่มีอารมณ์โรแมนติกมากนะหมายความว่ายังไงหล่อนบุ้ยปากไปยังตัวบ้านของเขา บ้านของคุณยังไงล่ะยังกับบ้านของโรบเนสันครูโซอย่างนั้นแหละในเวลากลางคืนหลังคาห้องนอนที่มุงด้วยแฝก ข, ของคุณคงจะเลื่อนเปิดเพื่อดูดาวดูเตือนได้นะจะเป็นหัวเราเบาๆใช่หลังคาห้องนอนของผมเปิดได้แต่น่าเสียดายที่ผมไม่ได้เห็นดาวดวงไหนเลยเห็นแต่ดาวเทียมของพวกคุณกับขยะอวกาศลอยเต็มท้องฟ้าไปหมดมันน่าทาลายบรรยากาศจริงๆ รุสิน้ากรูเบิดตาขึ้นนิดหนึ่งเชิดลำคอแข็งแล้วยักไหล่ข้างหนึ่งขึ้นตามนิสัยละพินไม่ได้สนใจอะไรอีกมองไปทางเชิดวดุทธค น, นํารวจตรีหนุ่มแห่งกองทัพ บ, บกที่ไม่เขาอย่างเป็นมิตรเสิยใจและขยิบตาให้นิดหนึ่งโดยแม่จำไปจะต้องทักทายอะไรกันทั้งสิ้นนอกจากจะเดินเข้ามาโอบไหล่เขาไว้เท่านั้น